กระทำเป็นฉลากกพัตแค่ว่าทุกครอบครัวจะต้องมีเอาหงอาหารไทยทานตามมีตามเกิดแต่ทอนี้ก็สมมติว่าร้อยหลังคาเรือนสมมตินะร้อยหลังคาเรือนแล้วมีพระจำมรรษาสิบโรคเขาก็จะจัดหมู่บ้านละ10บสิหลังคาเรือนเป็นกลุ่มหนึ่งเป็น10บหมู่จากนั้นเขาก็ทําฉลากกพัดขึ้นมาสิบใบเหมือนกับจับฉลากทหารอย่างนั้นอ่ะ จะนี่กัม้วนมวน้มนม้ใส่ในถาดในขันในบาทอะไรกับสุดแท้แต่เนั้นคนคนเสร็จแล้วท่นี่ให้พระจับพอพระจับพระได้กลุ่มที่เท่าไหร่กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองกลุ่มที่สากรเลียงกันไปสุดแท้แต่ใครจะได้กลุ่มไหนในสิบองค์นั้นนะตั้งแต่หัวหน้าจนถึงองค์สุดท้ายพระสิบลูกก็ได้สิบครอบครัวก็นํามาถวายเขากระประกาศอ่านขึ้น่าเออ องค์คูบาอาจารย์องค์ที่หนึ่งครอบครัวหมายเลขที่ น, น, น, น, น, น, น, น, น, นั้นคนนั้นคนนั้นคนนั้นสิบองค์เจ้าภาพก็เข้ามาถวายถวายพระเป็นที่ตัวเองได้ถูกพระท่านจับฉลากไปแล้วนะอันนี้คือทําบุญฉลากกพัดคือไม่ได้เลือกองค์ไม่ได้เลือกบุคลคลนแ ค, ค่ว่าองค์ไหนก็พร้อมที่จะทําบุญทําทานในพรรษาในวัน พวกนี้อันนี้คือคนโบราณเขาเขาทำมานะอันนี้ว่าท่านจึงว่าฉลา ก, กรพัดทาบุญฉลาข้าวฉลาแต่ภาษาอีสานพูดง่ายๆทําทบุญข้าวสาลีแต่ตามไมจริงเป็นฉลา ก, กรพัตนั่นอ่ะอันนี้คือความเป็นมาของการทําบุญประจําปีคือไม่ได้เลือกครูบาอาจารย์ไม่ได้เลือกบุคคล ถ้าว่าจับฉลากถูกแล้วก็ทำบุญทำทานตามที่ได้จับฉลากนั้นๆนะในเมื่อจับฉลากเสร็จเรียบร้อยแล้ ว, วกคณศสัายาติโยมก็พร้อมกันทำบุญทิ่ ส, ว น, สวนกุศลกรวดน้ำถึงเปตายาตคือพ่อแม่ปู่ญ า, า, า, า, าติยายวงศาคณาญาติญาติมิตรสหายตามประเพณีเพราะว่าปีหนึ่งจะมีข้าวประดับดิน เข้าประดับเรียนกะ็คือทําบุญให้เปรตญาตญาติทั้งหลายทําบุญฉลากพัดกับเพื่อที่ส่วนกุศลถึงเปรตญาญาติทั้งหลายเพราะในพรรษาพระท่านจำพรรษาไม่ได้ไปที่ไหนพร้อมที่จะอยู่ในถิ่นฐานบ้านของเราเพราะนั้นบ้านของเราก็ให้ความสนับสนุนให้การรบับถือถวายเจตุ ป, ปัจจัยทตรยทานตามมีตามเกิดในท้องถิ่นนั้นๆ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 หาโอกาสที่จะไปวัดไปวาก็ยากคิดว่าติดทรุรลนั้นติดทรุรลนีน้ไม่มีไม่มีในในความคิดว่าจะต้องไปทําบุญ อ, อุทิศสวนกุศลไม่ว่าชาติชั้นวรณะไหนอย่างประเทศจีนอย่างนี้เขาก็ยังมีวันศาสตร์วันไหว้เจ้าอย่างนี้ก็ไหวเจ้าก็เพื่ออะไรก็คือให้รำลึกถึงบรรพบุรุษของตนเองนั่นแหละพวกเราเกิดมาจากไหนเป็นใคร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 ส่วนวันมาฆ้าบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าตั้งกฎเกณฑ์ตั้งกฎหมายปกครองสงฆ์ขึ้นมาอันนี้พระสงฆ์มาพร้อมกันพันสอรูปมาพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดเนีวันเดือนสมเพนเหมือนกับการประชุมรัฐสภาอย่างนั้นประชุมสภ า, านี่ยตั้งกฎหมายอย่างนั้นเป็นคอคอแต่ในพระพุทธเจ้าท่านบัญญัติแต่ละศึกษาบทมาแล้ว มารวบรวมกันมารวบรวมกันแล้วก็ตั้งเป็นกฎเกณฑ์ขึ้นมาควรปฏิบัติอย่างไงปกครองสงในว่าวันมาคบูชาส่วนวันอัสสรหบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าได้ตัดสู้เสวยวิมุตติสุขในที่พระพุทธเจ้าตัดสู้แล้วจากนั้นท่านก็มองเห็นปัญจวัคคีย์ท่านก็ไปโปรดปัญจวัคคีย์เมื่อไปโปรดปัญจวัคคีย์ปัญจวัคคีย์ก็ได้สําเร็จมักสําเร็จผลอันนั้นเป็นการประกาศ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 ประกาศพระศาสนาอีกมีอุบาสกพ่อของยศะกุลบุตรเข้ามาพบได้กราบพระพุทธเจ้าได้ถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นคนแรกเหมนแต่ก่อนมีแต่พระพุทธเจ้ากับพระธรรมปัญจวคีทั้งห้ายังไม่ได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์นั้นยังเป็นสรณะสองอยู่งหมนัเถอะพระพุทธเจ้ากับพระธรรมแต่เมื่อปัญจวคีได้สําเร็จเป็นพระอรหันต์ทั้ง5รูปแล้ว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 คล้าๆว่าสมมุติฐานขึ้นมาตอ น, นเองเราจะไปเอาอย่างนั้นมาพูดไม่ได้เพราะนกันะพระธรรมมันก็คืออันหนึ่งมันคนละเรื่องกันเลยเหมือนกันกับหลักศิลาจารึกอย่างที่วานะี่ยแต่ตามไม่จริงเมือนกับมันก็ดีคล้ายๆว่ามันคล้ายๆเหมือนเป็นหลักหลักธรรมเหมือนกันเถอะหลักธรรมคําสั่งสอนท่านนี้นมาพูดถึงเรื่องอย่างนี้ขึ้นมาก็เลยมามาละเลื้อยได้เออที่คนโบราณเขาเปรียบเทียบให้ฟัง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 แต่ทเขาเขามาบวชพอมาบวชเขาก็มาเรียนแหลมัจฉีอย่างนั้นแล่มัจฉีแห ล, แหลเสียงอย่างนันเถอะแต่พูดเรื่องพระเวชสันดร น, นางมัจฉีพระเวชสันดร อ, ออกป่ายังไงเห็นป่าลงพงภัยยังไงเข้าป่ายังไงทุกข์ยากยังไงน้ําตกน้ําไหลยังไงน่ะจากนั้นนางมัจฉีไปอยู่กับพระเวชสันดรในดวงในป่ากัญหาชาลีหูกพัดภาคไปมีความทุกข์ยังไง อันนี้พระตาบอดท่านก็นมันมีกรอนของเขาเนียฟังเนีโอ้คนโบราณเนี่ยร้องห่มร้องไห้อแล้วว่างั้นเถอสะสรุปสังเวชกับนางมัชีพระเวทชันนรท์ที่ออกไปอยู่ในป่ารงพงไพอันนี้แเราว่าพระตาบอดองนั้นท่านก็นแหลมัชีอย่างเนี้ยแล้วถท่านแหลบ้านนู้นแหล่มว่ื่อเสียงของท่านกระโด่งดังท่านก็นมีเนน้อยเนน้อยเป็นคนจูงมือไปอ่างั้นเถอะคนตาบอดเนี่ยพระตาบอด จูมือไปบ้านนนบ้านนี้ขี่ม้าไปด้วยเออนนอ ก, กัเป็นคนพาขี่ม้าไปเพราะคนโมราณเขาขี่ม้าได้เด้เฮ้พาโบราณพอไปถึงบ้านหนึ่งกงก็คงไปใกล้เมืองสักหน่อยมัง้งเอแต่ก่อนก็อยู่ในป่ารงพงไผ่ไม่เคยมีจะกินน้ําต่บน้ำหน่อไม้หนอนน้ำธรรมดาแบบนั้นแต่แต่ปรยชนใกล้เมืองทีนีน่เขาก็ตอนเช้ามาก็เห็นพระเดินทางเหนื่อยเขาก็เลย ส่งโอวันตินกับนมใส่แก้วมาเลใส่แก้วเข้ามาถวายพระตาบอดตอนนี้พระตาบอดกับเนยน้อยเนียนน้อยก็ตาดีใช่ไหมพระเนี่ยตาบอดพระแต่กําเนิดพอเนยน้อยก็เอานมโอวันตินให้แก้วหนึ่งพระเอาแล้วก็จดื่มดื่มแก้วนมโอวันติน โอ้โหมันอัดเล็ดอร่อยว่างั้นอ่ะซาบซาบไปหมดเลยไม่เคยได้กินอย่างนี้มาก่อนเลยทั้งหวานทั้งหอมทั้งมันเฮ้ยเลยถามเนนก็สิบถามเนเน่อยเนนเนอันนี้เป็นน้ําอะไรเนียนน้อยก็บอกว่านมโอวันตินครับแอบคุบาร์ค ง, งจะไม่เกินกันมากว่างั้นนถอะแอบโนเนงบอกเนีเน่ยตรงพ่อญยพ่อว่างั้น นมโอวตินครับย่าพ่อยาพ่อก็เลยสงสัยไปเอ้นมอโอวัลติน น, น, ตตน่ม ะ, ะรร ม, นน ม, e, มันเป็นยังไงเพราะคนตาบอดนี่ใช่ไหมล่ะเอ้ตาบอดเพราะแต่กําเนิดไม่รู้นมันเป็นยังไงเห็นแต่ว่าเป็นน้ําก็เลยถามยาม้ำอีกว่าเอ้นมโอวตินมันเป็นยังไงเนนเน้อยเหรอเนนเนนน้อยก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่าคนตาบอดใช่ไหมเอ้นมโอวัลตินก็บขาวขาวขาวขาส้วมม่วงขาวขาวขุนๆเน่่ย่าพ่อว่ากัน ยาพ่อก็ยิ่งสงสัยใจเลยว่าเขาเขาขุนขุนเขาเขาสวกโมกนั่นมันเขาเขาอย่างไงคือเขาไม่เขาจ้วะเหมือนกันแต่เขาขุนขุนเหมือนกันเอ๊ะมันเขาขุนขุนมันเขาอย่างไงเน้ยนเหงือนเนีนน้อยก็ไม่รู้จะทํำยังไงอธิบายอีกเขามันนกยางนะหน้าอย่าพ่อเหมือนเขามันนกยางนหน้าเหมือนยาพ่อก็เลยถามอีกว่าเอ๊่นกยางมันเป็นยังไงเน้ยนเหงือน เนนก็ไม ja. ่รู้จะทํำ hmm. ย mm ังไงก็เลยทํามือเป็นชกงกอย่างนี้ขึ้นมาเหมือนกันแต่ทํามืออย่างนี้เพราะนกยางมันเป็นอย่างนี้ได้มันขามันออกมาอย่างนี้ใชอตัวของมันเป็นลักษณะนี้เวลามันเดินหากินปลาเป็นอย่างนี้แหละลงพ่อนกยางเลยยาพอตาบอดก็มือคําไปคํามาเออนมอวันตินนี่เป็นอย่างนี้เองนะพเจนเน่นมโอวันตินมันเป็นอย่างนี้เองเนาะพเจนเออ ตาไม่จริงนมอวตินกับมือคนซกงก์นี่ยมันคนละเรื่อง ก, กันเลยว่างั้นเถอเนีอันนี้ก็เหมือนกันน่ยที่หลวงพ่อได้ฟังครูอธิบายให้ฟังมาเนีพระพุทธเจ้าเป็นพบหลักธรรมวันหนึ่งอยู่ในป่านะมันเข้ากันได้ว่างั้นเถอเออแต่ตามไม่จริงคนละเรื่อง ก, กันว่างั้นเถะเนีหลักธรรมเนี่ยคือคําสั่งสอนเนี่ยคสั่งสอนคืออะไรสอนให้คนเป็นคนดีอย่าที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้บรุธรรม บรรลุอะไรบรรลุม 8, รรคแปดบรรลุอริยสัจสี่นี่แหละที่บรรลุที่ท่านบนรรลุทำปุเพนิวาสารนสติยานจตูปปาตยานอาสาวะขยายานที่พระพุทธเจ้าได้บรรลุจากนั้นท่านก็นสอนเมื่อได้บรรลุแล้วท่านก็นสอนแนวทางมาเนีเขียนแผนที่ขึ้นมาบัดนี่ยคนที่จะเดินไปถึงจุดนั้นได้ควรจะเดินอย่างไรน ทีนี้พอผูใ้ใดเจ้าเขียนแผนที่ลำบากเนี้ยเริ่มเขียนแผนที่เหมือนกับท่านไปเห็นท่านจะไปด้วยวิธีของท่านยังไงยังไงก็ได้งั้นไปถึงเมืองอเมริกาแล้วพอไปถึงอเมริกาแล้วทอนนี้ผู้ที่จะไปอเมริกาเนี่ยไปยังไงทีนี้ก็ท่านก็เขียนแผนที่ละเดินอย่างงั้นไปอย่างนี้ไปอย่างนี้ไปอย่างนั้น อันนี้ก็คือพระธรรมหละคําสังสอนนะบานเนี่ยคือแผนที่นี่ยคือพระธรรมคำสั่งสอนจากนั้นในเมื่อเขียนเขียนแผนที่แล้วเอีคนก็เดินตามเดินตามแผนที่ที่พระธรรมคำสั่งสอนนั้นสําหรับครวัตท่านก็นสอนให้มีศีลห้าเพราะมีภาระมากมีธุระมากเอาเพียงศีลห้าก็พอแล้วละ่ะเพราะว่าศีลห้าเนี่ย ถ้ารักษาดีแล้วจะอยู่ด้วยกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขจะไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันแต่ถ้าว่าคนขาดศีลห้าเนี่ยมันระแวงแคลงใจกันมีที่ไหนก็อยู่ด้วยกันก็มีดมองหน้ามองหลังกลัวเขาจะเอามีดมาฟันคอตัวเองโลกใบนี้จะน่ายอยู่ที่ไหนถ้าเป็นลักษณะนี้เผลอๆตัวเองก็กลัวเขาจะฆ่าตัวเองตัวเองไปฆ่าเขาก่อนทะไหนก็ ย, ยิ่งไปใหญ่จะไหนเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนมีศีลห้าซะ ไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโลกใบนี้ก็จะล่มเย็นเป็นสุขในระดับหนึ่งเหมือนกันจากนั้นกัทินนาธานกาเมสุมิชชาจารย์มุสาสุราตั้งอยู่ในความไม่ประมาทคือไม่ดื่มสุราถ้าคนดื่มสุราถึงจะเรียนรู้สูงขนาดไหนมีความรู้สูงขนาดไหนดีขนาดไหนก็เถอเพะพอเอาสุราเข้าปากท่า น, นมันเกิดความประมาทมันก็ทําความชั่วได้อีกเพราะฉะนั้นท่านจึงให้งดไม่ให้ดื่มสุรา พอดื่มโซราทําทให้คนเป็นบ้าเป็นบอคนขาดสติ เ, เพราะนั้นพุทธเจ้าก็จะบัญญัติสําหรับคารวาสสินห้านี่ก็เพียงพอแล้วถ้าว่าคนมีศินห้ามากโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขพวกเรายังมาคิดดูก็แล้วกันนะทุกวันนี้ถ้าคนขาดศีลธรรมมากๆมันเป็นยังไงความไวเนื้อเชื่อใจมันก็เกิดยากโดยเฉพาะอย่างยิ่งสินข้อมุสาอย่างนี้ ทับยังไงสัญญาเขียนแล้วเขียนอีกฉีกแล้วฉีกอีกตั้งแล้วตั้งอีกตั้งแล้วตั้งอีกเ อ, อกรรมการดูแล้วดูอีกมันก็ยังมีการเล็ดลอดออกไปเพราะเหตุไรพราะเนี่ยความไม่ซื่อสัตย์ของคนมันอยู่ในจิตในใจอเพราะฉะนั้นความไม่ไว้ใจตัวนี่ยนะสรุปแล้วก็คือศีลศีลคออรวา่าศีลห้าเนี่ยมันขาดไปมากในชุมชนสังคมประเทศชาติจากในโลกของเราทุกวันนี้ วันนั้นโลกทั้งโลกจึงเดือดร้อนวุ่นวายไปหมดเพราะขาดศีลธรรมเรามองเลือกๆลงไปสิพิจารณาแต่ตรองด้วยเหตุด้วยผลศีลของพระพุทธเจ้าเนี่ยที่ท่านบัญญัติไว้นะี่ไม่ใช่ของเล็กน้อยนะเป็นเรื่องที่ใหญ่มากถ้าว่าถ้าใครรักษาได้แล้วมีแต่ความร่มเย็นเป็นสุขแต่โดยมากคนไม่เข้าไม่ชอบเข้าเรื่องธรร ม, มะเนี่ยไม่เอาเพราะมันมันฝืนกับกิเลส ข, ของตอนเองเออที่หลวงพ่อเคยพูดน ประตูวัดเนี่ยเปิดทั้งทางหน้าเปิดทั้งท่าหลักเปิดทั้งสีทิศประตูวัดไม่มีใครอยากจะเข้าแต่ประตูคุกน่ยใส่กุญแจทั้งสามชั้นเรียงคิวกันเข้าไปอยากจะเข้าคุกกว่างั้นมันเป็นอย่างงั้นนะทำไมมันเป็นอย่างนั้นเพราะคนชั่วใจชั่วในความคิดของมนุษยชาติทุกวันน่ยมันเต็มตำซามลงไปเรื่อยๆเลยชอบมันไปทางนั้น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 สังเกตดูตนเองเอาธรรมะเขาไปจับแล้วเอ่ห์ทไมเราจึงจะรู้ว่ามันไหลลงทางต่ำหรือมันไหลไปทางสูงถ้าเราชอบละเมิดสินห้าของพระพุเทธเจ้าแสดงว่าใจของเราไหลลงทางต่ําล้วเพราะศินห้าเนี่ยเป็นเส้นบรรทัดสําหรับฆราวาสเอ่ห์สำหรับพระก็เหมือนกันเราละเมิดศินสองี่สิบเราต้องตรวจตราดูเสมอว่าศินสองรี่สิบของเราเนี่ยเราขาดตกบกพร่องข้อไหนบ้าง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 ถ้าจะเปรียบเทียบในศีลเนี่ยก็เหมือนกับถ้าเป็นอาคารบ้านเรือนก็คือฐานนั่นเองฐานเจดีย์ฐานศาลาฐานกำแพงฐานสะพานถ้าฐานไม่ดีแล้วจะปลูกอา ค, อ า, คารขึ้นมาก็เป็นอย่างงั้นน่ะแต่ถ้าว่าฐานดีเนี่ยมันมันม่นคงอันนี้ก็เหมือนการศีลก็ ค, ค, คือฐานของคุณงามความดีทั้งหลาย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 หลักธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านั้นคืออะไรไม่ใช่หลักธรรมนะไม่ใช่หลักโดเดยอยู่ในป่าเฉยๆไม่ใช่หลักหินก้อนหนึ่งเหมือนั้นแหละหลักธรรมมาเนี่ยอถ้าเราไปคิดว่าหลักธรรมเหมือนหินโดเดย์กัเหมือนกับอย่าพ่อตาบอดไปคํามือของเนนว่าเป็นนกกระยางเ อ, อิญโอมโอวันตินเป็นอย่างงี้เลนะอถ้าเราไปเข้าใจอย่างนั้นมันก็ต้องผิด ไปคนละทิศละทางเลยว่างั้นเดังนั้นพวกเราให้เข้าใจนะในหลักธรรมคําสั่งสอนให้ตรวจตราดูตนเองอย่างที่ว่าน่ะคือศีลห้านี่นะศีลห้าถ้าอยู่ในใจของเราแนละ้วกันจะมีแต่ความสงบสุขนั่นนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราที่สูงอายุขึ้นมาแล้วในะเรื่องศีลควรจะตรวจตราดรูให้ชัดเจนถาาว่าพวกเรามีศีลดีแล้วรละลึกถึงเวลาไหนใจสบายนะ